บทที่8อันหนึ่ง500ปีทิพย์เป็นปริมาณอายุของเทวดาชั้นจัตุมหาราชิกาเท่ากับจํานวน9ล้านปีโดยการนับของมนุษย์ถัดจากนั้นสีเท่าเป็นปริมาณอายุของเทวดาชั้นดาวดึงจากนั้นสีเท่าเป็นปริมาณอายุของเทวดาชั้นยามาจากนั้นสีเท่า เป็นปริมาณอายุของเทวดาชั้นดุสิตจากนั้นสีเท่าเป็นปริมาณอายุของเทวดาชั้นนิมมาน ร, รดีจากนั้นสีเท่าเป็นปริมาณอายุของเทวดาชั้นป ร, รนิปมิตรวสวรรัตดีตัณหาเหล่านั้นมี1ิปดอย่างในรูปภายในเป็นต้นมี1ิปดอย่างในรูปภายนอกเป็นต้น รวมเป็นตัญหา36โดยประการดังนี้อดีตตัญหา36อนาคตตัญหา36ปัจจุบันตัญหา36รวมเป็นตัญหาร้อยผู้ใดไม่ติดในกามคุณเหมือนหยาดน้ำไม่ติดใบบัวแล ะ, มะเมล็ดผักกาดไม่ติดปลายเข็มเราเรียกผู้นั้นว่าพราม เพราะอุปทานดับพบจริงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะความเศร้าโศกความคลำครวนความทุกข์ความโทมนัสและความขับแค้นใจจึงดับผู้เจริญอรหัตตมรักชื่อว่าพระอรหันต์เป็นผู้สิ้นกิเลสเป็นผู้ทักนัยยบุคคลผู้เลิศในโลกเพราะละกิเลสได้โดยไม่เหลือ พระอาหารหันต์ผู้สิ้นเชื้อแล้วไม่ยินดีพบอีกมีจิตน่ายพบเบื้องหน้าสิ้นกรรมเก่าปราศจากกรรมใหม่ที่จะส่งไปเกิดอีกท่านเหล่านั้นเป็นปราดดับสิ้นไปเหมือนประทีปดวงนี้ข้อนี้เป็นพระรัตนคุณอันประเสริฐของพระสงฆ์ด้วยสัจวาจานี้ขอจงมีความสวัสดีผู้เจริญอ น, อนาคามิมัก ชื่อว่าพระอนาคามีคือผู้ไม่มาสู่โลกนี้อีกเพราะละกามราคะและพยาบาทได้อย่างสิ้นเชิงอันหนึ่งในบรรดามรักและผลเหล่านี้บุคคลผู้เจริญโสดาปฏิมรักแล้วละการไปสู่อบายได้แล้ว ด้วยการกำจัดทิฏฐิและวิจิกิจฉาชื่อว่าพระโสดาบันผู้มีการเกิดอีกเจ็ดครั้งเป็นอย่างมากท่านเหล่านั้นคือพระโสดาบันผู้ละสังโยชนสามประการได้แก่สักยาทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลปตะปรามาศละกิเลสอื่นๆได้ในขณะที่เห็นธรรม ท่านเหล่านั้นเป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทั้งสี่ไม่กระทำกรรมอันไม่สมควรหกประการคืออนันตริยกรรมห้าและการนับถือศาสดาอื่นข้อนี้เป็นพระลัตนะคุณอันประเสริฐของพระสงฆ์ด้วยสัจวาจานี้ขอจงมีความสวัสดีในบรรดาวิปัสสนาญาณมีนามรูปปริเฉทยานเป็นต้น การละโทษนั้นๆย่อมมีด้วยวิปัสสนาญาณนั้นๆเพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเหมือนการขจัดความมืดด้วยแสงประทีปกล่าวคือการละสกยาทิฏฐิด้วยการกําหนดรูปนามการละทิฏฐิที่เห็นว่าไม่มีเหตุหรือเห็นว่ามีเหตุที่ไม่สมควรด้วยการกําหนดรูปปัจจัย การละความยึดมั่นอารมณ์ที่เป็นสังขารทรมด้วยโคตระโพทั้งหมดนี้ชื่อว่าตัทังฆะหานการละด้วยเหตุคือทานศีลและวิปัสสนานั้นๆจะเป็นหญิงหรือชายเดินไปทางนี้เราไม่ทราบแต่โครงกระดูกนั้นเดินไปในทางใหญ่ อนุสัยเจ็ค <the> ือการมราคานุส <TP>. ัยอนุสัยที่ยินดีกรมคุณปฏิคานุสัยอนุสัยที่โกรธเคืองมานานุสัยอนุสัยที่ถือตัวทิฏฐานุสัยอนุสัยที่เห็นผิดวิจิกิจฉานุสัยอนุสัยที่สงสัยภาวะราคานุสัยอนุสัยที่ยินดีพบ และอวิชานุัยอนุสัสที่ไม่รู้จริงราคานุัยของเหลาวสัตว์ย่อมนอนเนื่องในสภาพที่น่ารักน่ายินดีในโลกคือสังขาร น, นี้ปฏิคานุัยของเหลาวสัตว์ย่อมนอนเนื่องในสภาพที่ไม่น่ารักไม่น่ายินดีในโลกนี้เมื่อเป็นดังนี้อวิชานุใสก็นอนเนื่องในราคะและปฏิคะทั้งสองเหล่านี้ พึ่ทราบว่ามานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยตั้งอยู่ในจิตดวงเดียวกับจิตที่ประกอบกับอวิชานั้นดูกราภิกษุทั้งหลายพวกเธอควรละราคานุสัยในการเสวยสุขควรละปฏิการุสัยในการเสวยทุกควรละอวิชานุสัยในการเสวยอารมณ์ที่ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุก พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอรมานานุสัยไว้ในพระสูตรนี้อันหนึ่งพึงทราบว่าตัณหาเหล่านั้นย่อเป็นตัณหาหโดยจำแนกตามอารมณ์มีรูปเป็นต้นหรือเป็นตัณหาสามโดยจำแนกตามการมตตันหาเป็นต้น